พความเจริญในธรรมจงมีท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่ลรลวมพ่โธิญายในวันนี้คงเป็นการพูดเรื่องตอนที่พระพุทธเจ้าเสด็จไปโปรดพระเจ้าพิมพิสารในช่วงต่อไปบา น, นก่อนก็พูดมาถึงในช่วงที่เท้าสากัดเทวราชได้นำเสด็จพระพุ้ธมีพระภาคพร้อมด้วยพระสงฆ์พันรูปที่เป็นบริวาร เข้ามาสู่กลุ่มราชครึกครั้งนั้นเมื่อพระพุทธเจ้าได้เสด็จผู้ดำเนินไปสู่พระราชนิเวศของพระเจ้าพิมพิสารจอมเสนามกฏราชั้แล้วประทับนั่งเหนือพระพุทธอาธิขที่เขาจัดถวายพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์จึงพระเจ้าพิมพิสารเสนาจอมเสนามกฏราชทรงอังฆ่าภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมกุลโดยขาตัญญาโภชนญาหารอันประนีต ด้วยพระหักของพระองค์จนได้จนให้พระผู้มีพระภาคเจ้าสเสวยเสร็จทรงนำพระหัตต์ออกจากบาทห้ามพัดแล้วนี่เป็นธรรมเนียมอย่างหนึ่งคือในการสเสวยไปกระกยาหารหรือในการฉันอาหารเนี่ยคือพอก็ใช้มือเปิบนะฮะใช้มือเปิบลงในบาทแบบทพระกรรมาฐานท่านใช้กันอยู่ในปัจจุบัน แต่บางทีในปัจจุบันนี้ก็ยังใช้ช้อนใช้ซ่อมนะครับแต่สมัยก่อนก็ใช้มืออินเดียเวีนี่ยังใช้มืออยู่เยอะนะฮะยังใช้มืออยู่เยอะใช้แบบเปื้องแล้วพอลึงราดออกจากบาทเนี่ยก็ห้ามคือหยุดไม่ต้องการให้ใครถวายอีกต่อไปถ้าห้ามพัดแล้วเนี่ยตาบอกห้ามแล้วเนี่ยก็ขอให้ฉันดีก็ไม่ฉันนะฮนะถ้ฉันก็ต้องอาบัต มันเป็นพระพุทธเจ้าประสงค์ปฏิบัติได้เป็นแบบของพระภิกษุทั้งหลายประทับนั่งหนนะ้าที่ควรส่วนขั้งหนึ่งแล้วเท้าเธอได้ทรงพระจันลิว่าพระผู้มีพระพรภาคพึงประทับหน้าที่ไหนหนอซึ่งจะเป็นสถานที่ไม่ไกลไม่ใกล้จากบ้านนะักสะโดวกด้วยการคมนาคมควรที่ประชาชนผู้ต้องประสงค์จะเข้าไปเฝ้าได้ กลางวันไม่พุ่งพล่นกลางคืนเงียบสงัดเสียงไม่ขึ้กล้องประจกักลงแต่ชนที่เดินเข้าออกควรเป็นที่ประกอบกิจของผู้ต้องการที่สงัดแต่ควรเป็นที่หลีกเล้นอยู่ตามสมณวิสัยนี่คือภาพวัดนะครับพระวัดก็มีลักษณะอย่างเนี้ยตั้งแต่พระพุทธเจ้าทรง พิจารณาสถานที่บางเป็นเพียงทางจิตมันก็เลือกอย่างนี้เลือสถานที่อย่างเนี้ยซึ่งเป็นสถานที่ที่ไม่ไกลไม่ใกล้จากบ้านนักสะดวกโดยการไปมาควรที่ประชาชนผู้ประสงค์จะเข้าไปเฝ้าได้กลางวันไม่พุกพล่านกลางคืนเงียบสงัดไม่มีเสียงคือกล้องปราศจากลมแต่ชนที่เดินเข้าออกควรเป็นที่ประกอบจิตของผู้ต้องการที่สงัด จะควรไปที่เหล็กเร้นอยู่ตามสมณวิสัยคือภาพแบบของสมณอตมาประทับใจโครงโลกกันเอโครงนิราชนรินน่ะนะสามบทแรกไม่ชอบมากเลยมออ่านแล้วมันซึ้งรู้สึกกินใจตามปกติอามาจําโครงมันจะไม่ค่อยเก่งแต่ว่าโครงนิราชนรินในพอเราอ่านปั๊บเดียวเราจำได้เลยแต่สามบทแรกตอนนั้นนะบทอื่นจำไม่ได้ ที่เราเห็นบรรยากาศของความเป็นวัดมันสงบมันเย็นเรืองเรืองไตรรัตน์พ้นพันแสงรินรถพระธรรมแสดงค่ำเชา้าเจดีระดะแสงเสียดยอดยนยิ่งแสงแก้วก้าแกนล่าหลากสวรรค์มันบรรยากาศมันวงังเว ง, ว ง, วงมันสงบมันเยือกเย็นไมนจะมีเสียงก็เสียงที่น้อมนำจิตใจให้สงบเย็น บทระเบียงมโม ด, ดพื้นภัยหารธรรมาสสาราลานราแผ่วหอใจระทางขานปายถ้ำไข่ประทีบโค้งแก้วกำฟ้าเขือนจันทสองบทนี่รู้สึกสวยมากเป็นภาพวัดที่ที่บรรยายได้สวยอย่างนึกว่าน่าจะจำลองจากวัดประเชตุพนนะฮะราวัดประเชตุพนนี่ก็สวยงามมากนี้ก็เป็น ภาพลักษณ์ของวัดตั้งแต่ความคิดตั้งแต่นนท์มาแล้วก็อยู่ในโครงสร้างทรงนี้แต่ว่าเวลาเนี้ยมันมีปัญหาที่ว่าวัดมันเหมือนก็ใข่าทหารนี่ยข่ายทหารนี่ก็หนีประชาชนไปอยู่ไกลลิบเลยนะฮะเมื่อก่อนเราถือว่าไกลลิบตเลยยังเขตอําเปิดดุสิตเนี่ยเราจะเห็นว่าเขตดุสิตนี่จะอยู่มากแล้วก็ห่างไกลาจากชุมชนเนะี่ยเป็นป่าเป็นทุ่งไปโ น, น้นทุ่งนันเมืองหายไปเลยไปอยู่นี่ แต่ในสุประชาชนไปล้อมเขาวัดกับประชาชนล้อมเอานะม้แต่คลังแสงที่อะไรปากช่องเนี่ยจริงประชาชนไปล้อมคลังแสงไม้จะคลังแสงไปอยู่ใกล้ประชาชนก็ทําให้เสียบรรยากาศบรรยากาศของทหารนี่เกี่ยวกับความปลอดภัยมันต้องอยู่ห่างไกลประชาชนบรรยากาศของสงฆนี่เกี่ยวกับความสงบเป็นต้องอยู่ห่างไกลประชาชน แต่ไม่ใช่ว่าไกลจนไปวินาบัตรลำบากนะไกลคนไปมาได้พอสมควรแต่ว่าสำคัญอย่างยิ่งก็คือกลางวันในคนต้องไม่พุกพ่านตลางคืนในต้องไม่มีเสียงรบ ก, กวนนั่นคือเอกลักษณ์ที่ต้องการให้เป็นอย่างนั้นแต่นี้เราก็หาบรรยากาศเหล่านี้ได้ยากแล้วมันจำเป็นจะต้องปรับสภาพตัวเองให้อยู่ให้ได้ทำการบรรยากาศมันเปลี่ยนแปลงไปยังไงก็ ก็เรื่องของบรรยากาศมันเปลี่ยนแปลงนะแต่เราก็มีหน้าที่ที่จะปรับตัวอยู่ให้ได้ที่ทรงพระเจ้าตังดีเนี่ยคือเราต้องนึกต้องนึกว่าตั้งแต่พระพุทธเจ้าเสด็จอตัอ้จะจะรู้เป็นต้นมาเนี่ยแล้วก็เรื่องเผยแผ่ศาสนายังไม่มีใครถวายที่ให้ประทับก็พักตามป่าตามเขาตามป่านะส่วนใหญ่ก็ตามป่าตามป่าตามบึงในน้นาําตาม ก็เรียกว่าอยู่กลางดิงกนกลางทรายทีเดียวแหละตอนพระเจ้าพิมพิสารในฐานะเป็นจอมเสนาแห่งมกตราชเนี่ย mm. ก็เห็นว่ามันพระเจ้าควรจะมีที่ประทับเป็นสัตว์ส่วนแต่ก็มีลักษณะสวยงามดังกล่าวนะฮะคือมาความกลางวันไม่พลุกพล่านกลางคืนเงียบสงัด เสียงไม่คือก้องปราศจากลมแต่ชนที่เดินเข้าออกเราควรจะเป็นที่ประกอบลิดของผู้มีความต้องการที่สงัดแต่พอดีพระพุทธเจ้าพระอรหันต์เหล่านั้นท่านเป็นพระอรหันต์แล้วท่านบอกว่าแล้ควรเป็นที่หลีกเล่นอยู่ตามสัมมนาวิสัยนั้นคือสัมณวิสัยเนี่ยก็ต้องการความสงัดต้องการสถานที่ที่สงัดก็ในที่สุดก็ทรงําเดินว่าสวนเวรุวันของเรานี้แล ไม่ไกลไม่กลา้กลาจนจากบ้านนักสะดวกโดยการคมนาคมควรที่ประชาชนผู้ต้องประสงค์จะพึงเข้าไปเฝ้าได้กลางวันไม่พุกพล่านกลางคืนเงียบสงัดเสียงไม่เกิก้องปราศจากลมใดชนที่เข้าออกควรเป็นที่ประกอบกจิตของผู้ต้องการที่สงัดแต่ควรเป็ที่หลีกเล้นอยู่ตามชาวนาวิสัยคือบริเวณพระเบรวันเนี่ย มันมีพื้นที่เราลองจินตนาการดูนะฮะหมายความว่ า, าพื้นที่ในสองช่วงช่วงหนึ่งคือด้านในด้านในนีเนเเ่เป็นที่เลี้ยงนกยูงเขาเรียกว่าโมระมีวะปะเด็ที่เลี้ยงนกยูงก็สมัยนั้นเขาก็เลี้ยงนกยุงกินกันนะนะเป็นเป็นอาหารกันแม้แต่ตอนพระเจ้าอโศกที่วางกฎมาคาตาคือห้ามฆ่าสัตว์เนี่ย ก็นกยูงยังเหลือเป็นครั้งสุดท้ายยังยังมีการฆ่านกยูงกินอยู่คนบ้านเราเราก็ไม่รู้ข่าวว่ากินนกยูงกันหรือเปล่าแต่ว่าสมัยนั้นนี่ก็กินนกยูงกันแล้วก็อีกด้านนอกเนี่ยด้านนอกกับทะลุถึงด้านในนั่นแหละแต่ว่ามันเป็นสองตอนด้านหน้านี่เป็นสองตอนตอนหนึ่งเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นการันตการนิวาปสถาน เป็นที่ให้อาหารแก่กระแตของกษัตริย์สมัยโบราณนะฮะแต่ก็ถือเป็นรามเนียงซึ่งซึ่งเราหน้าชื่นชมอินเดียก็ตรงนี้มากแม้ว่าประเทศเขาจะโดยเฉลีย่ยคนยังยากจนมากอยู่ก็าตามแต่การอนุรักษ์และตแนวก็ดีมากดอกไม้ทำสว น, นต่างๆนี่ไม่มีใครเก็บนะคะเดินไปเดินมาก็าเดินดูกันอย่างนั้นไม่มีใครเก็บ พูดมาเราเผลอได้ที่ไหนหรือเาเก็บเอาเอาดื้อๆแต่ว่าคนของเขาเนี่ยเขาก็ดีอย่างเงี้ยเป็นกรรษัตริย์โบราณที่ตั้งเป็นจารีตขึ้นมาโบราณมากๆมาก่อนพุทธกาลคงเวียนพันๆปี น, นนะฮะคือสืบต่อกันมาทุกวันก็เลียงถืออย่างนง้นอยอิสิปตนะที่เป็นสารณาฏในปัจจุบันแปลว่าที่พึ่งของควาเนะี่ยทุกวันก็ยังเป็นที่พึ่งของกวางางเนีย ไรไปฆ่าสัตว์ในสถานที่ตถว น, นั้นไม่ได้นี่คือสิ่งที่น่าชื่นชมของวัฒนธรรมอินเดียเขาว่าเขามีวัฒนธรรมที่สืบต่อกันมานานและรักษาไว้ได้ดีแม้คนก็จะล้นมากมายกายกองยุ่วเยียมไปบ้างประตมนะ่ะแต่อย่า ง, อ ย, างอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ควรแกร่การยกย่องเพราะในกำลังตะกะใวัฏฏะธรรมนี่ยเป็นที่ให้อาหารแก่กระแถมก็ให้มานานแล้ว แต่ถึงพระเจ้าพิมพิสารก็ยังถือปฏิบัติอยู่ทุกวั น, นีนรู้สึกยังปฏิบัติอยู่เหมือนกันแต่กระแต่อาจจะหมดไปแล้วนะฮะแล้วก็อีกช่วงหนึ่งเนี่ยเป็นเรียกงีตะวันธีตะวันเป็นป่าชาพีดิ์คือหมายความว่าด้านในเนี่ยก็ไปชนกับเวรุวันกัลังตะกะในวาป่สถานด้านใก้ๆด้านนอกนะฮะด้านนอกก็ชนกับ เ, เวรวกัลันีก่กะ กาันตการในวาปะสถานด้านในก็ชนกับโมราในวาปะเป็นที่ทิ้งซากศพเพื่อป่าชาติผีดิบเพื่อว่าศีตะวันศีตะก็คือเย็นนะนะฮะป่าเย็นเย็นกันนะสยดสยองแล้วก็ท่านอนาาคิบินิกาศฐีนี่เคยเฝ้าพระพุทธเจ้าที่ศีตะวัน พระพุทธเจ้าก็จึงถวายพระเวรุวันแต่พระเจ้าพิมิสารเราคิดว่าพิจนะนั้นเราพึงถวายสวนเวรุวันแก่ภิกษุสงฆ์มีพระพ่อพระเจ้าเป็นนมุกดังนี้ลำดับนั้นจึงทรงจับพระสุวรรณพิงคานสุวรรณพิงคานก็คือเขาเรียกว่าพระเต้าทองนะฮะพระเต้าทองพระทรงหลางน้ําน้อมถวายแดดพระผู้มีพระภาคด้วยพระดำรัสว่าหม่อมฉันถวายสวนเวรุวันนั่น แก่ภิกษุ ส, สงฆ์มีรพร ะ, มปประพุทธเจ้าเป็นบรมุขพระพุทธเจ้าข้าท่านี้ถือว่าเป็นการถวายอาคารสถานที่ในครั้งแรกแต่เป็นแนวถวายที่แปลกก็คือว่าเอาน้ําเทจากพระเต้าทองลงบนพื้นดินแล้วก็กล่าวเป็นคําถวายต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าแต่ตัวนี้มันก็กลายเป็นธรรมเนียมที่เรา ตรวจน้ำบู ธ, ธีส่วนกุศลต่างๆคือแนวตรวจน้ําสมัยโบราณเนี่ยนะก่อนพุทธกาลเนี่ยก็เรียกว่าทักษินานุปาทานเนี่ยคือค้นลงไในในาน้ํำจริงๆแล้ววักน้ําแล้วค่อยปล่อยลงทางร่องมือระหว่างมือทั้งสองในี่ยรองความือทั้งสองเนี่ ย, ยค่อยปล่อยแล้วก็อธิษฐานว่าไปจะว่าอย่างไงุทิธีบูธีส่วนกุศลแมใ่ใครๆก็ตาม ก้น้ำใน่น้ําจริงๆเลยท ย, ยัดถาวารีวหาห่วงน้ํามันเต็ ม, มย่อมอย่างหมาสมุทรสากรให้เต็มได้ชั้นใดถาในท่านไปจากแล้วในโลกนี้ถึงกับท่านพุระโลกนี้ไปแล้วชั้ น, นั้นเนี่ยนะที่สมเด็จประสังก ร, ราชวัดเบญจมาบาพิษเคยทรงนิพน์เป็นคํากรอนเพราะมากแต่จาําไม่กรได้แล้วห่วงวารีเต็มแล้วและกพลังก็ไหลจึงสาครก็เต็มถึงติระเปียมนชะั้นใดบุญอันประช า, าราชธรรมชาติถินไทยศรัทธาก็ทําไปก็ สลีดพิสิทธิผลอะไรเนี่ยก็เป็นคล้ๆกับเป็นการอาธิษฐานแต่ก็ให้สีนภรแก่ผู้ที่บริจาคทานพร้อมกับที่เขาขวดน้ำนะฮะพร้อมที่เขาขวดน้ำเพราะแนวแนวตรงนี้ของเราในการต่อมาที่เราขวดน้ำแล้วก็ มีภาคจน่ารองรับแล้วก็นําไปเทลงในดินที่จริงเราเทลงในดินก็ได้เลยนะฮะเทลงดินก็ได้เลยเพราะว่าแบบตรงนี้เป็นแบบแบบแรกที่เราเริ่มพิธีการถวายพิธีการปวดน้ํากันพระผู้มีพระภาคทรงรับอารามแล้วก็ทรงชี้แจงให้พระเจ้าพินพิสารจอมเสนามกตราชทรงเขียนแจง้งสมาตาณาฐานราชเริงด้วยธรรมิกาถาแล้วเสด็จลูกจากที่ประทับเสด็จกลับ ต่อมาก็ทรงกระทำธรรมิกคาถาในพระเหตุเป็นข้ามูลนั่งแล้วรับสั่งไระภิกษุตงหลายว่าดูก่อนภิกษุท่างหลายเราอนุญาตอารามคืออนุญาตให้ภิกษุสามารถรับที่อยู่ได้นะฮะหรือว่าพระเรานี่ท่านก็เคร่งครัดนะคือหมายความถ้าพระพุทธเจ้าอนุญาตท่านก็ท่านก็ไม่เอาอ่ะท่านก็อยู่ตามป่าตามคนไม้อย่างที่พระพุทธเจ้าทรงประทับอยู่ประสงร์อนุญาตเรื่องนี้เป็นครั้งแรก ทนี้ตอนนี้ที่ที่นำมาประรบเนี่ยเป็นมหาคันตะคือม้าวะแข่งพระวินัยนะฮะภาคที่สี่ปัจเจียพิฎกภาคที่สี่อยู่ในปัจเจียพิฎกภาคที่สี่ตรงเนี้ที่จริงมีเหตุการณ์เกิดขึ้นเหตุการณ์หนึ่งคือหลังจากพระเจ้าพิมพิสารได้ถวายพระเวรุวันแดบพระพุทธเจ้าถวายพัตนาหานแดบพระพุทธเจ้าพร้อมด้วยถวายพระเวรุวันไปแล้วเนี่ยตกกลงคืนเนี่ย ปันดาพวกเปรตในสำแดงตนทวงการอุทิศถวายอุทิศถวนกุศลให้เพราะเปรตเราเนี่ได้รับการบอกกล่าวว่าจะได้รับส่วนบุญจากพระเจ้าพิมพิสารซึ่งเป็นอดีตญาตของตนแต่ว่าเมื่อไม่ได้ท่านก็แสดงอาการออกมาทวงเป็นภาพหน้าสยศสยองหน้าสะพิรกลทั้งเสียงทั้งรูปร่างนะฮะปรากฏองให้เห็นปรากฏตัวให้เห็นแก่พระเจ้าพิมพิสาร พระเจ้าพิมพิสารต้องมากราบทูลพระพุทธเจ้าแล้วก็เล่าเรื่องทั้งปวงให้ทรงทราบพระเจ้ารักษาว่าไม่มีปัญหาใดหรอกมันเป็นเปรตเป็นพระญาติอดีตพระญาติของพระองค์รอคอยการที่ส่วนบุญจากพระองค์มาเป็นเวลานานนานมากแล้วนะฮะสมัยพระพุทธสัพุทธเจ้านะฮะคือถ้าเรานับพระพุทธเจ้ายี่สิบแปดองค์ย้อนไปมันไกลมากมากเลย แสดงว่าแมเกิดเป็นเปรตมา น, นานมากๆนะคงจะเกิดตายเกิดตายหลายพบหลายชาตินะเป็นเปรตเนี่ยเพราะฉ้นลดไม่ได้เนี่ยเปเรตเหล่านี้ก็ทวงพระเจ้าพิมิสารก็กราบทูลถามว่าทํำยังไงจึงจะให้เปรตอดีตญาติของพระองค์ได้รับส่วนบุญพระเจ้าก็บอกว่าให้ถวายพระตาันแก่พระสงค์หวันรุ่งขึ้นท่านก็ถวายนะฮะถวายแล้วก็ต้องปีงนี้ตั้งใจกดน้ำมุทิคุลไปให้เลย ในคำกรวดน้ํำมีคําประโยคหนึง่งอีดังโวยาทีดังคนตุสุขิตาโหตุยาตะโยะแต่เป็นพุทธธรรหลักนะผู้แตเจ้าทรงแสดงเองเป็นคํากล่าวสั้นๆเราไม่ได้ตรวดน้ํายาวเหเอียดอย่างในสมัยปัจจุบันนะในสมัยก่อนก็ว่าอย่างนั้นนะโดยผลแห่งทานนี้จงถึงแก่ญาติของข้าพาเจ้าขอญาตของ้าพาเจ้ามีความสุขไปนนั่นเองมันเป็นการให้ทานเนี่ยเป็นทานอันใหม่ แล้วก็อุทิศกุศลไปให้ในเรียกว่าปฏิทานใหม่แล้วก็ผู้รับอังโมธนาเรียกว่าปตานโมทนาใหม่ก็ครบองสามประการนะฮะครบองสามประการก็ทําให้เกิดผลเป็นอาหารชิดขึ้นแก่พวกเปรตเหล่านั้นตกกลางคืนเขก็ปรากฏองค์ให้เห็นรอประตัวให้เห็นแต่เป็นเปรต เ, เป็นเทพประบุเตติดาแต่ว่าไม่มีพระนุ่งนะฮะไม่มีพระนุ่งไม่มีพระนุ่งพระองค์ โดยจักสงสัยก็มากราบทูลถามพระพุทธเจ้าอีกพี่เจ้ารับสั่งว่าก็ยังไม่ได้ถวายผ้านุ่งอุทิศแก่พระสงฆ์พอถวายแก่พระสงฆ์แล้วอุทิศนะฮะก็คงไม่เท่าจํานวนเปตรตมากราบมาถวายผ้าจํานวนหนึ่งแล้วแต่แล้วแต่จะถวายแต่ ว, ว่าผลบุญนั้นก็กเกิดแก่เปรตทุกตนพราะผ้าคทิพนั้นเกิดขึ้นรูปผลของการอนุโมทนาสูตรบุญที่เปรตเขาอนุโมทนา พระเจ้าพิมพิสารก็ท well ําตามแล้วก็อุทิศกุศลส่งไปให้พวกเปรตเหล่านั้นก็ได้รับส่วนบุญแล้วก็บาปกรรมที่เป็นเหตุให้เป็นเปรตก็น้อยลงก็บังเกิดเป็นเทพบุเทิดิดาก็กลับสู่สวรรค์ไม่มานกันหมดเหตุการณ์ตัวเนี้ที่เป็นเหตุการณ์เล่นเปรตพระเจ้าเขาเรียกว่าเปรตพระเจ้าพิมพิสารเปรตอดีดญาติของพระเจ้าพิมพิสารที่จริงไม่นจะเปรตของพระเจ้าพิมพิสารหรือเปรตพระเจ้าพิมพิสารเปรตอดีดญาติของพระเจ้าพิมพิสาร มีข้อความโดยสรุปว่าในอดีตการนาน ม, มาแล้วนะฮะสมัยพระพุทธาพุทธเจ้ามีพระราชกุมารสามองค์ต้องการที่จะอุปถากบำรุงพระพุทธเจ้าเนี่ยตลอดสามเดือนจึงมอบหมายพนัก ง, งานของตนเป็นเสมียนเป็นขุนครังนะฮะให้เป็นคนรับผิดชอบในการปรุงอาหารดูแลรับใช้พระพุทธเจ้าพร้อมด้วยประสงค์แต่ว่า ราชกุมารเหล่านั้นเนะี่ยขอบวชในสำนักของพระพุทธเจ้าเขาเป็นบวชระยะบุคคลนบวชเป็นการชั่วคราวหรืออะไรเนี่ยนะแล้วก็ในบรรดาสมเสมียนกับขุนคลังที่ทํางานเนี่ยไอคนที่เป็นสมเสมียนหรอคอขุนคลังก็ไม่รู้นะฮะก็ต่อมาเป็นพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยรู้สึกว่าน่าจะเป็นสมเสมียนนะะก็ พวกญาติพี่น้องที่เข้ามาร่วมในการทําบุญในการปรุงอาหารหต่างๆเนี่ยไอ้ทรัพย์สิสนเงินทองในเป็นของราชกุมารแต่ว่าพวกเหล่านี้ก็เป็นคนงานนะคนงานรับรับจ้างปรุงอาหารถวายพระพุทธเจ้าพร้อมด้วยพระสงฆ์เป็นพุทธบริวาลเนี่ยคนส่วนใหญ่มันทําดีอั่งนั้นเนี่ยส่วนส่วนใหญ่ก็ทําดีแต่ส่วนหนึ่งเนี่ยเกิดประยัดย่อยอาหาร ที่ก็เสียงไว้จะถวายพระสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขเนี่ยเอาไปซ่อนแต่บ้ า, บางเอาไปกินแต่บ้ า, บางหรือว่าไปชิมซะก่อนบ้างหรืออะไรอย่างเงี้ยรักเล็กขโมยน้อยไปเรื่อยๆวันๆเนี่ยกับแบบแม่ครัวทั้งหลายเนี่ยแต่นี้มันมันเกินหน้าที่แม่ครัวไปหน่อยเพราะว่าไปจนถึงก็ยักยอกแล้วก็เก็บเอาไว้เป็นสมบัติส่วนตัวเองก็น้อยที่สุดใน หลังจากตายไปแล้วเนี่ยคนเหล่านั้นก็ท่องเที่ยวอยู่ในสังสารวัตรมาจนถึงพุทธสมัยเนี่ยมาถึงพุทธสมัยพวกราชกุมารทั้งสามร้องโลกบริวาเนี่ยก็มาเนี่ยแปลเป็นพวกโบราณราชาดินเนี่ยโบราณาชาชดินทั้งสามเนี่ยในชาติก่อนก็เป็นราชกุมารมาในชาติพระพุทธสาวุทธเจ้าเนี่ยแล้วก็ออกบวชก็มีความโน้มเอียงมาในทางบวชตั้งแต่ต้นตอนท่านก็มาบวชอีกในสมัยนี้ แล้วก็คนที่เป็นขุนคลังเนี่ยมาเป็นวิสาขาอุบาสกกัสามีของนางธรรมทินนาถึงต่อมาได้บวชเป็นพระธรรมทินนาเทรีภิกษุณีเป็นอริยสาวกระดับอนาคามีแต่ก็ไม่ได้เขาไม่ได้เดล่าเรื่องบริวารไว้นะว่าบริวารของ อ, อนาทเทเบท่านวิสาขาอุบาสกในชาติ ในชาติโน้นในชาติที่เป็นขุนคลังเนี่ยมาชาตินี้มาเกิดเป็นใครใจะที่น่าสังเกตก็คือว่าคนที่ทำบุญพร้อมกันมาแล้วเรื่องเดียวกันนะอยู่ในแวดวงเดียวกันพระเทวทูตนั้นออกบวชปฏิบัติระดับศีลระดับใจสิกขาก็ไม่ได้บรรลุมรรคผลสมัยนั้นอะไรหรอก แต่ว่าเป็นบุญเป็นกุศลระดับนี้แหละระดับวัตกามมีกุศลนี่กุศลนี่หมุนบนอยู่ในสังสารวัฏเนี่ยเราทำให้ท่านได้มาบังเกิดแล้วก็มีความโน้มเอียงไปในทางบวชแล้วก็ออกบวชนะในที่สุดก็ออกมาพบกพระพุทธเจ้าขควังธรรมเทศนาจากพระพุทธเจ้าก็บรรลุมรผลเป็นพระอรหันต์ทีในายชมย์เนี่ย พระเจ้าพิมพิสารเนต่อมาพระเจ้าพิมิสา ร, า ร, า พ, สารพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเนี่ยบริวาร น, นั่นเนี่ยบริวารสิบานักโหดเนี่ยสิบนักโหดเนี่ยก็ส่วนหนึ่งนะคงจะส่วนหนึ่งคงไม่ใช่ทั้งหมดหรอกเพราะทั้งหมดรู้สึงจะมากเกินไปก็ได้มีส่วนในการทําบุญร่วมกันก็มาความธรรมร่วมกันบารมกผลร่วมกันก็เป็นประสะราบารณ์ด้วยกันทีนี้แยกส่วนหนึ่ง ยาส่วนหนึ่งที่ไปเกิดเป็นเปรตเนี่ยเราจะเห็นว่าสมัยนั้นจิตใจก็อยากช้ากระด้างรักเล็กขโมยน้อยแอบกินแอบซ่อนแอบลักของระมาถึงชาตินี้ก็ยังเป็นเปรตอยู่เลยแล้วว่าคนอื่นก็ได้บรรลุมรรคผลกันหมดตัวเองก็เป็นแค่เทพติดาเทพประบุเทพธิดาก็ดีขึ้นนะฮนะแต่ว่ายังอีกไกลยงอีกไกลนานส่วนวิสาขาุบาศก เป็นถึงท่านาคามีพระธรรมทินาเท ร, รีเนี่ยเขาจะเป็นสามีพัญญา ก, กันหรือเปล่าไม่รู้ในชาตินั้นนะ น, นะก็ไม่ได้บอกไว้บรรลุพักผลเป็นพระอราหันต์มันแสดงถึงสังสารวัฏในแนวที่เราทําบุญร่วมกันมาเนี่ยคนที่ทําบุญร่วมกันมาแล้วเกิดร่วมกัน แล้วเรื่องบารมีนี่เราเห็นได้ชัดเลยนะถ้าถ้าเอาเอาเกณฑ์สมัยพระพุทธเจ้าทรงปนามปุษตะเป็นเกณฑ์เนี่ยแสดงว่าบารมีมันสะสมต่างกันมาได้เรื่อยเลยแล้วคนก็เพิ่มบารมีขึ้นมาแล้วในสุดก็ผลก็บารมีก็ออกมาว่าบางพวกเนี่ยบารมีสูงมาตั้งแต่ชาติโน้นอะ่ะเป็นพระอระหันต์เลยอีกพวกหนึ่งรอง ล, งลงมาเป็นพระอนาคามียอีกพวกหนึ่งรองลงมาเป็นพระโสดาบันอีกพวกหนึ่งรองลงมาเป็น เทพบุตรเทติดาอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่สอนทั้งเรื่องกา ร, รมทั้เรื่องสังสารวัฏทั้งเรื่องของบุญกุศลที่บุคคลได้กระทำเอาไว้นะทะต้งฟังทั้งหลายใต้โลกประภริยาในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเป็นเท่านี้ที่สุดนี้ขอความจเจริญงาะงามไปบุญในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยโทั่วกันสวัสดี